นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทธะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทธะ พอนอบน้อมแด่ พ, พ, ดะพระภูมอีพระภาคสราหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณนะบัดนี้ให้พากันสร้างใจปฏบิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธ เอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เทียงกลงหลับตาวันนี้ให้พากันฟังอธิกังกระดูกสามรอยช่อนของตัวเองอย่ามาเข้าใจผิดคิดว่าร่างกายสังขาร น, นี่เป็นของ มั่นคงถาวรยั่งยืนแท้จริงร่างกายของคนเหล่านี้ก็คือกระดูกต่อกันไว้นั่นเองมันจะหลุดออกเมื่อใดก็ได้พระพุทธเจา้าท่านนับอ่านไว้ว่ามีอยู่ตั้งสามร้อยท่อนแต่หมอแพทย์แผนปัจจุบันนับไม่ถึง คือเขาไม่ได้นับกระดูกอักกระดูกก่อนเขานับแต่กระดูกแข็งเวลาฟังอัธิกังกระดูกสามรอยท่อนนี้ไม่ให้จิตคิดไปที่อื่นรวมจิตเข้ามาอยู่ในกองกระดูกคือเวลานี้ให้ถือว่า ตัวเราทุกคนสมมติว่ามันตายไปหลายสิบปีแล้วแต่ยังเหลือกระดูกมาต่อกันไว้เวลาเราดูกองกระดูกดูโครงกระดูกไม่ต้องดูเนื้อดูหนังเท่งเข้าไป ว่าตัวเนื้อหนังนั่นมันตายไปนานแล้วเดี๋ยวนี้ยังเหลือแต่โครงกระดูกโครงกระดูกนั่นเป็นผีหลอกเวลานี้โครงกระดูกนั่งภาวนานั่งสมาธิพอให้ดูดูหน้าดูตา แต่ไม่ต้องดูตาเห็นเนื้อดูกระบกตากระบกตานี่มันโหวเข้าไปทั้งสองข้างเป็นกระดูกโหวเข้าไปหรือกระดูกหลบเข้าไปเหมือนเปลือกไข่ที่เขาทำอาหารแล้วทิ้งไว้หรือเอามาเลียงไว้เหมือนกระบกตากระดูกนี้ ก็ให้จิตดูว่าทองกระดูกหรือกระบกตาเนี่ยแหละให้จิตเห็นในจิตว่ามันเป็นยังไงก็ให้ดูถ้ามันเห็นแจ้งในจิตใจของตัวเองอย่าไปคิดว่าเป็นของสวยของงามกระบกตาทั้งสองข้างเนี่ยภาเพ่งให้เห็นชัดแจ้งในจิตแล้ว โล ก, กตาไม่มีมันโวเข้าไปอาการที่มันโวเข้าไปเนี่ยไม่ใช่สวยงามยังเหลือแต่โครงกระดูกกระดูทั้งสองข้างเมื่อเห็นแจ้งชับแล้วก็ดูต่อลงมา ต่อลงมาดูดั้งจมูกกระดูกดั้งจมูกเนื้อหนังไม่ให้ปรากฏให้เป็นกระดูกก็เป็นรูโหวเข้าไปเหมือนกันเป็นสองรูเข้าไปสมัยเมื่อคนเรายังไม่ตาย น้ำโมกเวลาเป็นหวัดมันก็ไหลออกนี่เป็นของปฏิกูลโสโครถ้าเห็นเป็นกระดูกแล้วไม่มีเนื้อหนังหุ้มความสวยความงามที่เราว่าจะโมกงามไม่มีมันโวเข้าไป เป็นรูเข้าไปในกะโหลกศีรษะและให้เห็นว่าไม่งามด้วยที่ใครเห็นว่างามคือมันเป็นความหลงใครเห็นว่าดั้งแจมูกนี้ไม่งามเป็นรูโวเข้าไปสองรูก็เป็นของขี้าย่ี้เละ นี่แหละกระดูกล่างจหมูกท่ำลงมากว่านั่นหน่อยก็เป็นกระดูกคางข้างบนกระดูก้างข้างบนนี้ก็ให้เห็นเป็นกระดูกทีเดียวแล้วก็ให้เห็นพันเห็นเขี้ยวเป็นซี่ี่จับอยู่ทั้งสองข้างทั้งหมดนะ ให้เป็นให้เห็นเป็นกระดูกฟันกระดูกเขี้ยวกระดูกคางข้างบนถ้าดูลูปร่างกระดูกคางนี่ก็ไม่สวยไม่งามอีกที่เราไปเห็นวานอนเห็นลิงว่าขี้ไล่ขีิเหร่ยังดีกว่ากระดูกคางข้างบนของเราอีก นี่ไม่เป็นหน้าดูเลยเมื่อกําหนดได้ว่ามันไม่งามจริงๆกันดูให้ทั่วทีนี้คางนี้มันมีกระดูกคางข้างบนที่ให้กําหนดนั้นมีกระดูกคางข้างล่างมันห้อยอยู่ กระดูกคางข้างล่างเนี่ยห้อยอยู่ห้อยอยู่ใต้กระดูกคางข้างบนดูให้มันเห็นเดี๋ยวนี้เวลานี้ไม่ให้จิตคิดไปที่อื่นให้เป็นบทกรรมฐานอัตติกังกระดูกสามร้อยท่อนให้เห็นวันเห็นเขี่ยวเป็นที่ๆด้วย ทางข้างล่างเนี่ยมันโค้งขึ้นไปเกาะกันอยู่ทางบนสมัยเมื่อมนุษย์ยังไม่ตายแต่เดี๋ยวนี้มันตายไปแล้วยังเหลือเตโฟองกันอยู่มนุษย์ไม่ว่าจะบริโภคอาหารบริโภคผลไม่กินอะไรก็ตามกระดูก้างข้างบนข้างล่างนีเน่เหมือนกับคบเหมือนกับสัง โคกสาคมน้ำพิกก็วันไหละแต่คกสาคัมน้ำพิกนั่นมนุษย์มันตาข้างบนลงมาคกสาคธรรมชาติคางข้างบนข้างล่างนี่ใช้คางข้างล่างํำขึ้นไปเพื่อให้อาหารแหลกมุ่นแหลกละเอียด เมื่อลืนลงไปสมัยยังไม่ตายเหลือจะกระดดกเนะี่ยมันจะได้ละลายไปเลี้ยงเนื้อหนังมังสังในตัวนั้นถ้าเรากำหนดมาที่นี่ก็จะเห็นอีกว่าข้างข้างบนข้างล่างพร้อมด้วยฝันไม่งามเลยเหมือนกับผีหลอกนั่นแหละ ถ้าสมัยมันยังมีชีวิตอยู่คนแก่บางคนมันเนื้อหนังมันหิวแห้งไปหมดยังเหลือแต่หนังหุ้มเราไปดูก็จะเห็นว่าข้างข้างล่างเนี่ยมันแกว้งเวลาเขากินอาหารมันกระทบขึ้นไปแกวง้งร่องแรงร่องแรงอยู่เรื่อยจนกว่าจะกิน นี่คือว่ากระดูกค้างเมื่อเห็นแจ้งในกระดูกคางข้างบนก็ขี้ล่ขี้เละข้างล่างก็ขี้ล่ขี้เละเช่นนี้แล้วจิตยามายึดถือกระดูกแต่นี่กระโหลกศีรษะมันกระโลกศีรษะนี้ ก็เข้ากันเป็นสลับกันคือว่ามนุษย์เมื่อมันยังไม่ตายนั้นมันมีมันสมองอยู่ในกระโหลกศีรษะถ้ามีอะไรมากระเทือนขคพล่มแรงๆตกอะไรก็มักจะเอาถึงตายได้ สมองแตกสมองเคลื่อนตายกะโหลกศีรษะนี่แหละป้องกันรักษาดูข้างหน้าดูข้างซ้ายดูข้างขวาดูข้างบนให้เห็นที่กระดูกมันสลับกันหรือว่าเข้าเป็นเขี้ยวหมาตายสลับกัน ดูให้เห็นส่วนในมันสมองก็ไม่ให้มันเป็นมันสมองหรอกมันเป็นว่างดูข้างในก็เห็นเป็นกระดูกให้จิตใจนั่นรู้ว่านี่แหละกระโลกศีสันกระโบกตาดั่งจมูก ทางข้างบนข้างล่างร้อมด้วยฟันโดยเขี้ยวด้วยฟันที่จิตเราเห็นว่าฟันสวยฟันงามคนสวยคนงามไม่มีถ้ายังเหลือแต่โครงกระดูกที่เจรนาเห็นอย่างนี้เสมอกันหมดไม่มีคนใดสวยงามวิเศษยิโสกวกากัน ยังเหลือแต่โครงกระดูกไม่มีที่นดกตรงไหนที่จะมาสังคัญผิดคิดว่าเป็นของสวยของงามอัที่กางกระดูกสามรอยท่อนทางนั้นเมื่อแจมแจ้งทัดเจนในกระโหลกศตร์แล้วก็เลื่อนลงไป ใต้กระโหลกศีรษะหรือว่าที่กระโหลกศีรษะตั้งอยู่นั้นให้ชื่อว่ากระดูกคอกระโหลกศีรษะนี้ตั้งตั้งไว้ที่กระดูกคอกกระดูคอนี่เป็นกระดูกเลื่อนได้เป็นกระดูกพิเศษกว่าได้ไม่เหมือนกระดูกอย่างอื่น กระดูกนี่มันเลื่อนได้เมื่อสมัยคนเรายังไม่ตายมีเนื้อมีหนังอยู่โนูน้นจะดูอะไรอะไรมันเลื่อนเอาทีนี้นะเลื่อนที่กระดูกคอหน้าตามันก็เลื่อนไปตามกระดูกคอนั้นมีหลายทิศ ทีนี่กระดูกคอก็ต่อต่อกระดูกสันหลังฉันดูข้อต่อกะดูกสันหลังกระดูกสันหลังนั่นเป็นท่อนๆดูให้เห็นมันมีอยู่ในตัวในกระดูกนะั้นสันหลังทุกคนแล้วก็มีกระดูกเง้าแขนทั้งสองข้างต่อเข้าไป ต่อเข้าไปถึงกระดูกหลังมีกระดูกหายปลาล่าสตว่าหรือกระดูกมีดที่เรามองเห็นคนข้างหน้ามันเป็นเหมือนเหมือนดั้มมีดเหมือนมีดเหมือนดั้มมีดเขาก็ให้ชื่อว่ากระดูกมีดกระดูกหายปลาล่าถ้าเอาคอออก่ะ มันเหมือนตั้งไว้แล้วก็เหมือนแบบเหมือนไาปลาล่ดูให้เห็นว่ากระดูกคอมันตั้งอยู่ต่ออยู่กับกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังและกระดูกเหง้าแขนทั้งสองข้างก็ต่อออกมาจากนั้นแล้วในกระดูกแขนนี่แหละมันมีกระดูกอันหนึ่งเขาให้ชื่อว่ากระดูกเกื้อ บางๆางมันพาให้แขนคนเราสมัยที่ยังไม่ตายมันเลื่อนได้ท่อนบนหรือเขาว่าเกื่องเขาก็าว่ามันเป็นเกื่องเป็นบางบางแขนท่อนล่างต่อขึ้นมากระดูกกระดูกแขนท่อนล่างต่อขึ้นมาทั้งสองข้าง กระดูกแขนท่อนบนกระดูกแขนท่อนล่างเป็นสองดูกทั้งสองข้างที่มันสร้างมาเป็นสองดูกก็เพื่อให้ทนทานให้ได้นานเท่าที่จะนานได้ไม่ให้มันหักช่วยกันเวลามนุษย์ยังไม่แตกไม่ตายนั้นมันทําการงานอะไรก็อาศัยกระดูกแขนท่อนล่างให้มันแข็งแรงหน่อยธรรมชาติมันสร้างมา เวลาเราภาวนาบกเพ่งให้มันเห็นกระดูก ม, มาต่อกันที่สอกข้อสอกที่มันพบส่วนล่างตามลงไปก็ไปต่อกับกระดูกกระดูกมือกระดูกมือเนี่ก็เป็นท่อนๆต่อไปจนสุดก็เหลือเป็นนิ้วเป็นนิ้วนิ้ว นิ้วโปนิ้วกลางนิ้วโปนิวปน้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิว้วนิ้วก้อยทั้งสองข้างกันดูกข้างนั้นแหละลเราเมื่อแพ่งดูในกระดูกนี่แล้วมันไม่มีที่ไหนที่เรียกว่าสวยงามที่ร่าทีเละที่สุดเมื่อดูสุดปลายมือปลายเท้าแล้วเป็นกระดูกข้างนั้น เพราะมันตายนานๆแล้วจนหายเหม็นแล้วทีนี้ก็มาดูกระดูกหน้าอกกระดูกหน้าอกกระดูกสันหลังเป็นท่อนๆเรากระดูกข้าวกระดูกข้างนี่เป็นกระดูกป้องกันภัยอันตรายคือในสมัยเมื่อ มนุษย์ยังไม่ตายโน้นตับไตใข้พุงปอดเลือหัวใจอะไรๆทั้งหมดมีแต่สิ่งที่จะแตกจะทำลายง่ายๆธรรมชาติมันก็สร้างกระดูกข้างกระดูกสันหลังกระดูกหลังป้องกัน ถ้ายังไม่ถึงข่าวตายก็อยากให้มันตายง่ายๆเวลาพัดตกหกล้มอะไรต่อมีอะไรถึงกันนั้นก็หลังหักกระดูกข้างหักกันอยู่เรื่อยๆเวลานี้เราดูให้รู้ว่าตำแหน่งกระดูกค้างตำแหน่งกระดูกหลังมันอยู่ตรงใดมีรูปล่างสีสันฐานอย่างไรก็ให้ดูตามความเป็นจริงนั่น จนถึงกระดูกบั้นเอวทีนี้เมื่อถึงกระดูกบั้นเอวถ้าเราตั้งไว้ดูข้างหลังก็เป็นรูปหนึ่งถ้าดูข้างหน้าก็เป็นรูปหนึ่งเห็นเป็นโครงกระดูกแล้มันข้างในก็ว่างข้างนอกกระดูกข้างเป็นซีกชีเป็นชีกช ถ้าดูตลอดมาตั้งแต่กระบอกตากระโหลกศีรษะแล้วคนที่กลัวผีแล้วก็นอนไม่หลับ เ, ลเพราะว่าผีกระดูกผีกระดูกของเราเองมันลอกอยู่ไม่ได้หยุดดูให้มันเห็นเพ่งดูถ้าจิตแน่วแล้วมันก็ปรากฏ เหมือนปรากฏอย่างไรก็ดูไปอย่างนั้นนี่อธิกัรกระดูกสามร้อยท่อนให้ภาวนาอัธิกัรกระดูกสามร้อยท่อนกระดูกบั้นเอวก็เป็นท่อนท่อนกระดูกบั้นเอวมันไปต่อกระดูกกะโพกกระดูกก้นกบกระดูกเกงเกเขาก็ว่า เมื่อกระดูกบั้นเอวต่อตรงกลางแล้วก็มีกระดูกเง่าขาทั้งสองข้างมาต่อจากนี่อีกที่หนึ่งกระดูกขาท่อนบนมันเป็นกลมๆสำหรับมาสวมไว้ในที่มันเป็นม่องเป็นรูสมัยยังไม่ตายมันต่อกันตรงนี้ทั้งสองข้าง แล้วกระดูกเท้าขาท่อนบนต่อนี่ท่อนล่างก็ต่อเขา่าในเข่านี่ก็มีกระดูกแข้งขึ้นมามาต่อกันให้เชื่อว่ากระดูกเขา่ามันคบได้แล้วยังมีกระดูกสบ้าคือมันเป็นกระดูกกลมๆแบนๆหน่อยสาหรับ เมื่อสมัยมนุษย์ยังไม่แตกไม่ตายนั่นกระดูกนี่มันช่วยช่วยไม่ให้กระดูกขากับกระดูกเขานะ่ามันหลดุดออกจากกันมันช่วยประคับประคองดูให้มันเห็นทีนี้กระดูกแค้งก็มาต่อกระดูก ขาส้นข้างล่างการดูแข้งนี้ทั้งสองข้างก็มีสองดูกเหมือนกันดูกใหญ่เป็นสามเหลี่ยมส้นบนก็มาต่อกันดูกขาท่อนและส้นล่างการดูแข้งมาต่อตรงนี้เราก็ต่อลงไปทั้งสองข้าง ดูให้เห็นทั้งสองข้างสดก็เป็นกระดูกกดูกแข้งไปสุดกระดูกแข้งให้ไปตั้งกระดูกกระดูกเท่ากระดูกเตีนเท่าก็คือวกระดูกแข้งมันไปเท่าหลังมันตามกระดูกกระดูกเท่า เป็นข้อๆเป็นท่อนๆต่อลงไปก็เป็นกระดูกนิวเท้านิลวโป้เหวใหญ่นิ้วขี้นิลวกลางนิวนางนิล่วก้อยเหมือนกันมองให้เห็นแล้วบเนี่ยมองให้เห็นในจิตเป็นโครงกระดูกนั่งภาวนาฟังธรรม อธิการกระดูกสามร่อยทอดเมื่อเราพิจารณาจริงๆนั้นไม่เหมือนอธิบายนี้มันเห็นแจ้งชัดดีเท่าไรก็เท่าเหมอกดีดูลงไปจนถึงสุดปลายมือปลายเท่าดูจากปลายเท่าขึ้นมาตลอดจนกระโหลกศีรัะจนเห็นเป็นโครง โครงกระดูกสามร้อยท่อนแต่ไม่ต้องไปเห็นแบบโรงพยาบาลหรือแบบเขาแขวนไว้สาราวัดอันนั้นมันมันอยู่นอกให้เอาให้เห็นมีอยู่ในร่างกายตัวตนของเราทุกคนคำว่าอักเังกระดูกสามรอยท่อน กำหนดขึ้นขึ้นลงลงเบื้องบนเบื้องต่ำอยู่ตลอดจนเห็นชาบแจ้งในจิตในใจมองเห็นโครงกระดูกของตัวเองอยู่ตลอดเวลาเวลาโครงกระดูกนั่งสมาธิเป็นอย่างไรก็ดูนั่งแบบไหนก็ให้ดูโครงกระดูกของตัวเองมันนั่ง มันเยินขึ้นกระดูกเมื่อเยินขึ้นมันเป็นลูกล่างอย่างไรดูเมื่อมันเดินไปเห็นกระดูกก็ไม่ให้หลดุดกําหนดว่าไม่ต้องหลดุดเดินให้ดกูกระดูกทุกอย่างมันจะเคลื่อนไหวไปมาให้ปรากฏแค่ดวงจิตดวงใจผู้กําหนดพิจารณานั้นทีเดียว เวลากระดูกเดินไม่ใช่สวยงามทกเห็ดทกเหไปอย่างนั้นแหละมองให้เห็นเวลาเดินก็เห็นกระดูกมันเดินเป็นโครงเป็นล่างอยู่ทีนี้เว ล, ลาไปลดไปลาก็ดูโครงกระดูกมันนั่ง นั่งแล้วมันทํางานอะไรนั่งในรถในเรือในอะไรก็ตามโครงกระดูกไม่ให้ลืมหับที่กลางกระดูกสามร้อยท่อนเวลามันขึ้นรถเวลามันลงรถต้องระวังกระดูกมันจะหักเพราะมันยังเหลือแต่กระดูก ที่นี่จนกระทั่งว่ายืนเดินนั่งนอนก็เห็นกระดูกนอนตื่นขึ้นมากระดูกตื่นเวลาพูดอะไรกระดูกมันพูดเวลากินกระดูกมันกินเวลาคนเราล่องให้หัวเลาะก็กระดูกมันล่องให้หัวเลาะกำหนดให้ไปให้มันทันอยู่อย่างนั้นตลอด เมื่อกำหนดกระดูกของเราฮะมันแจ่มแจ้งชัดเจนกระดูกบุคคลผู้อื่นมันเหมือนกันไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าเด็กหนุ่มแก่ทลามเหมือนเหมือนกันอัติกางกระดูกสามรอยท่อนไม่มีใครสวยงามกว่ากันเท่าเกันหมดอัติกางกระดูกสามรอยท่อน เท่งจนกระทั่งเห็นคนจะเป็นชาติใดภาษะ ส, สาใดก็าตามก็ลังมังค่ามันก็ยังเหลือแต่ดั้งจมูกจมูกแหลมไม่มีตาสีนำเงินตาขาวตาฝ่าไม่มีเหมือนกันหมดกระดูกโครงกระดูก กำหนดให้เจตใจดวงผู้รูดดูคองกระดูกของตนและของบุคคลผู้อื่นมาให้มันเห็นว่าเป็นของสวยของงามถ้าแค่มันไม่สวยไม่งามจิตหลงไปคิดเรื่องตัวเองในทางที่ผิดจึงมาเกิดราคะตันหาฟุ่งซ่านลำคาด บวชในศาสนายังไม่ถึงร้อยปีก็อยากศึกษาลาภเอ็ก็เพราะไม่กำหนดอธิการกระดูกสามรอยท่อนของตัวเองถ้ากำหนดอธิการกระดูกสามรอยท่อนของตัวเองแจ่มแจ้งชัดเจนจิตจะไม่วุ่นวายนั่งก็เห็นกระดูกสามรอยท่อน เจ้ากระดูกสามรอยท่อนจะไปลบที่ไหนเนอะมันเดินไปก็เห็นมันเดินไปนั่งอยู่ก็เห็นกระดูกนั่งอยู่ครองกระดูกไม่แช่แต่เพียงคิดๆหนึ่งนึกทำมันมันเห็นภาพในนั้นด้วยเพราะมันมีภาพกระดูกมันเป็นของแข็งมันเป็นภาพอยู่เป็นโครงท่านจึงว่าครองกระดูก เมื่อต่อกันไว้ให้มันหลดกันเลยเรียกว่าโครงเวลาเดินไปมันก็โครงเพลงโครงเพลงโครงเพลงนี่มันเรียกว่าโครงโครงกระดูกไม่มีใครที่ว่าสวยงามกว่ากันโครงกระดูกทั้งนั้นเจ็ดให้รู้ให้เข้าใจดยามาหลงโครงกระดูกของตัวเองว่า ดีว่างามและอย่าไปหลงโครงกระดูกของบุคคลผู้อื่นว่าสวยว่างามของเราทั้งหลายพระองค์กำหนดพิจะะารณาถอยขึ้นถอยลงถอยลงถอยขึ้นชำนิชำนานจนไม่หลงไม่ลืมจนไม่เข้าใจผิดคิดว่ามันมันเป็นอย่างอื่น ท่านเห็นว่ามันเป็นโครงกระดูกอยู่อย่างนั้นเจ้าตัวเราจะลู้ก็ตามไม่ลู้ก็ตามอักขีกากระดูกสามร้อยท่อนเนี่ยเขามีมาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ทอดออกมาก็มีแต่ว่าระยะนั้นมันยังเล็กอยู่ดูตลอดมาให้มันได้ มันเล็กก็จริงแต่ว่ากระดูกยังไม่หักส่วนมากบุคคลเราเมื่อใหญ่แล้วกระดูกชอบหักบางคนก็แข่งหักบางคนก็ขาหักดูข้างหักดูแขนหักคอหักอะไรต่ออะไรคือไม่กำหนดพิจารณาไม่รักษาตัวเอง พระพุทธเจา้าท่านรักษากระดูกสามร้อยท่อนท่านได้ถึงแปดชิปีไม่มีอะไรหักดีหมดคนเราบางคนยังไม่ถึงแปดชิปนะีหักโน่นหักนี่แลนอกจากหักเราก็ตายอีกเพราะไม่กำหนดอธิกางกระดูกสามร้อยท่อน สติสมาธิปัญญาจึงไม่เกิดจึงรักษาอัิกังกระดูก3 0ูกสามรอยท่อนของตนตลอดรอดฝังไม่ได้จงกำหนดพิจารณาอย่ามานั่งเฝ้าอัิกังกระดูกสามรอยท่อนของตัวเองอยู่ไม่กำหนดพิจารณามาหวงกระดูก หัวกระดูกเหมือนสุนัขเมื่อมันได้กระดูกตัดแล้วมันมามากัดนกัดกินกระดูกกระดูกแห้งกระดูกไม่มีเลือคนเราทุกคนเมื่อกําหนดถึงขั้นกระดูกอัฐิกลังกระดูกสามรอยท่อนมันมาหลงกระดูกสามร้อยท่อนแท้ๆมันดีกองไหนพิจารณาดู ดูข้างหน้าเป็นอย่างไรดูข้างหลังเป็นอย่างไรดูตามระเบียบขึ้นระเบียบลงเป็นอย่างไรมันมีจริงหรือไม่มีจริงความจริงมันมีอยู่แต่อาศัยจิตฟุ้งซ่านลำคาญไปที่อื่นกระดูกของตัวเองมีสามรอยช่อนก็ไม่ได้นับไม่ได้อาน โครงกระดูกผีหลอกอยู่ขั้งนั่งมันหลอกเวลานั่งยืนมันหลอกเวลายืนเดินมันหลอกเวลาเดินกินข้าวกินน้ากระดูกมันก็แสดงบทบาทแต่จิตมันไม่น้อมนําเข้ามาจึงได้ลุ่มหลงมัวเมาไปตามกิเลส ข, ของโลกถ้ามันเห็นเป็นโครงกระดูกนั่งก็เป็นโครงกระดูกอย่างนี้อย่างนี้ ยืนก็เป็นโครงกระดูกอย่างนี้อย่างนี้เดินก็เป็นโครงกระดูกเดินอย่างนี้นอนก็เป็นโครงกระดูกนอนอย่างนี้ไหว้พระกระดูกเป็นอย่างนีท้ท่าอย่างนี้นั่งสมาธินั่งคัดสมาธก็เห็นโครงกระดูกมันนั่นแลรว่วัาสติสัมปัญญะ ตามลู่ตามเห็นอัธิการกระดูกสามรอยท่อนของตัวเองอยู่และไม่ปล่อยให้ความวิปลาสคาดเคลื่อนมาทับถมใจไปเห็นว่าเป็นของมั่นคงท้าวรเป็นของสวยของงามมันไม่ถูกที่ถูกมันต้องเห็นอัธิการกระดูกสามรอยท่อนต่อกันไว้ไม่มีใครเป็นเจ้าเป็นใหญ่มัน ตายแล้วเนื้อหนังบางสันหลุดลอยไปหมดแล้วกระดูกมันมีอยู่เท่าเก่าของใครก็ตาดพระพุทธเจ้าท่านจึงให้สาวกทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานทั้งหมวลกาหนดอธิกั ร, รกระดูกสามรอยทอนให้มันเห็นแจ้งในจิตใจ ใจมันจะดิละกิเลสลาคะตัณหาภายในให้หมดสิ้นไปจะด็ละกิเลสโทสะในจิตในใจให้หมดไปสิ้นไปจะด็ละโมหะอวิชชาตัณหาในจิตใจให้หมดไปสิ้นไปเพราะที่จิตมาหลงอยู่ในลูกประขันอันนี้ในครองกระดูกอันนี้ เพราะไม่กำหนดพิจารณาอาธิการกระดูกสามรอยท่อนให้ดีเกิดมาดีใจเสียใจล่องให้น้ำตาไหลเวลามันเป็นทุกข์เป็นร้อนไม่ได้สมความปรารถนาก็ล่องให้กระดูกมันล่องให้ก็ให้ดูกระดูกมันล่องให้มันไม่มีน้ำตาหรอกมันอ้าปากล่องไปยังไงดูให้เห็น ไม่เห็นจะส่งใจไปที่อื่นมันเคลื่อนไหวไปมาอย่างไรตามรูรูใดก็เป็นสียงเป็นธรรมเป็นค ร, รมะคำสอนขระพุทธเจ้าเมื่อเห็นแจ้งชัดว่าร่างกายกองกระดูกนี่มันเป็นจริงอย่างนี้นั่นแหละก็เหมือนกับว่าพระธรรมท่านสอน พระพุทธทานสอนพระธรรมสอนพระอริยสงฆ์เจ้าสอนสอนให้จิตใจตัวเรารู้ไม่ใต้ให้กระดูกมันรู้ให้จิตใจหลงเนี่ยไม่ให้มาหลงกระดูกแต่นั้นผู้ปฏิบัติทางหลายยาัวประมาทอธิกรรมกระดูกสามรอยท่อนของตัวเองรู้ไม่ได้ไม่เห็นไม่ยอม โลกขึ้นภาวานาดูอธิกังกระดูกสามรอยท่อนของตัวเองให้แจงแจ้งแล้วก็จะเห็นของคนอื่นผู้อื่นทั่วๆ่วไปเต็มโลกก็เหมือนกันหมดนี่แหละอธิกังกระดูกสามรอยท่อนทุกคนจงพากันกำหนดพิจารณาให้แจงแจ้งชงัดเจนภายในจิตใจของตนให้ได้จนจิตใจไม่หลงไม่ลืม ใครจะหัวเลาะร้องไห้ใครจะดีใจเสียใจมันก็แค่กระดูกสามรอยท่อนนั้นตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาให้เห็นแจ้งภายในจิตใจเมื่อเห็นแจ้งเต็มที่มันจะถอนในตัวละทีแลกความโกรธมันจะหมดไป ที่แรความโลกความอยากได้มันจะหมดไปมันเอามาอะไรเอามาตกมาแต่งกระดูกสามรอยท่อนหรือเอาผ้ามาแต่งสวยๆมันสวยไหมมันก็ไม่สวยมันกระดูกสามรอยท่อนถีหลอกตลอดเวลาเจ็ดให้รู้ให้กข้าใจเมื่อผู้ปฏิบัติ ในพุทธศาสตร์นามาแจ้งในอัตติกังกระโดกสาม้อยทอดใจร้อนเป็นไฟไม่มีใจจะเย็นเป็นเหมือนน้ำแข็งนั่งก็เย็นนอนก็เย็นไปไหนมาไหนพูดจาปราไซก็ไม่หกากสังวรระวังอยู่ที่ไหนไปที่ไหนทำอะไร แล้วว่าอินทรีสังวรรักษาตารักษาหูรักษาจมูกรีนกายทุกอย่างได้เพราะกำหนดอัิกังกระดูสามรอยท่อนฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายภาจันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจุดจำนำไปประพฤติปฏิบัติ ก็จะได้รับความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมกวนด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาละชนิดสรรพีติโยวิวัชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวัตตวันตรายโย สุคททีติคาโยโกภวะอิวาธนาชิริสนิจังมุท ธ, ธาปจายโนะจัตตารอธรรมาวะัมนีอายุวันโนสุขัง